ที่มาลายธรรมศาสตร์มีร้านอาหารร้านหนึ่งนะเรียกว่าเป็นขวัญใจของนักศึกษาเลยเวลา อ, อาหารกลางวันเป็นต้นเนี้ยนะก็จะมีนักศึกษานี่ไปเข้าคิวเหมือนกับรับแจกอาหารเลยนะแต่ที่จริงเนี่ยเขาไม่ได้แจกเขาขายที่นักศึกษ า, านิยมเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าอาหารอร่อยราคาถูก แต่ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะก็คือว่าแม่ค้านี่เขาใจดีมีน้ำใจนะเวลาตักข้าวแล้วก็กลับข้าวนะให้กับนักศึกษาเนี่ยแม่ค้าก็จะถามว่าข้าวพอไหมเป็นคำพูดที่ติดปากเลยนะของแม่ค้าคนเนี้นักศึกษาคนไหนนะอยากได้ข้าวมากๆนะแม่ค้าก็ตักให้เยอะๆเลย ที่จิงไม่ใช่แค่ว่านักสานะเจ้าหน้าที่มาอะไรหรือว่าบินมอเตอร์ไซค์ก็มาซื้ออาหารมาเป็นลูกค้าของร้านอาหารนี้ เ, เป็นประจำเหมือนกันเพราะอย่างที่ว่านะแม่ค้าีนคนนี้ เ, นเขามองว่าเวลาใครมาซื้อข้าวจากรังเธอเนี่ย ก็อยากกินให้อิ่มๆนะอันนี้แม่สอนเอาไว้นะแม่ก็เป็นคนที่มาเปิดร้านอาหารนี้ตั้งแต่เมื่อสามสิบปีที่แล้วแล้วก็ส่งทอดฝีมือแล้วก็น้ำใจนะให้กับลูกสาวแม่สอนว่าเนี่ยนักศึกษาไม่มีไรายได้เขามากินข้าวทั้งทีเนี่ก็เขาควรจะได้กินข้าวอิ่มๆนะ จะได้มีแรงไปเรียนหนังสือส่วนบินมอเตอร์ไซค์ก็เหมือนกันนะกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทนี่ยากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนถ้าเขามาซื้อค้าของเราเนี่ยเราก็กินอิ่มๆไปเลยก็ได้มีเรื่องมีแรงไปทํางานแล้วก็ไปเลี้ยงดูครอบครัวแม่ค้าคนนี้เนี่ยนะจะไม่ได้มองคนที่มาซื้ออาหารหรือไม่ได้มองนักศึกษาว่าเป็นลูกค้านะ แต่มองว่าเป็นลูกหลานมันต่างกันยังไงนะมองว่าเป็นลูกค้าคือคิดถึงแต่เงินที่จะได้หรือกำไรที่จะได้นะจากคนที่มาซื้อของแต่ถ้ามองว่าเป็นลูกหลานเนี่ยคือมีความหงใยในะอย่าง น, น้อยก็ให้ได้กินอิ่มๆแล้วแม่ค้าคนนี้เนี่ยนะไม่ได้แค่ตักข้าวนะเยอะๆให้กับลูกค้า นักศึกษาที่เป็นเหมือนลูกหลานบางที่ตักแล้วนี่ก็สังเกตนะสังเกตนักศึกษาเนี่ยว่าเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่ใช่แค่สังเกตว่านักศึกษาตักอาหารแล้วไม่จ่ายเงินนะไม่ได้มองอย่างนั้นอันนั้นก็มองแบบลูกค้าแต่ถ้ามองแบบลูกหลานเนี่ยจะสังเกตอีกแบบหนึ่งนะสังเกตว่า นักศึกษานี่เขามากินอาหารของเรานี่เขามีปัญหาอะไรไหมยอย่างมีนักศึกษาคนหนึ่งเนี่ยสั่งข้าวเยอะเยอะให้ตักข้าวเยอะเยะแต่ว่าขอหมู ย, ยอชิ้นเดียวแม่ข้าวคนนี้ไม่ได้เป็นคนตังเองนะแต่สังเกตแล้วก็ได้ยินเด็กคนนี้บอกว่าเนี่ยไม่ค่อยมีเงินพอเด็กคนนี้เนี่ยเอาอาหารไปกินที่โต๊ะเนี่ย เธอก็ตามไปเลยนะตามไปคุยด้วยว่าหนูมีปัญหาอะไรไหมพี่พอช่วยอะไรเธอได้ไหมนะถ้าไม่มีเงินนี่ให้กินฟรีได้นะแต่ไม่ได้ใช้คำนี้นะแต่บอกใช้คำว่าให้ทุนการศึกษาให้ทุนการศึกษาฟรีก็คื อ, ค อ, คอมากินฟรีได้เลยนะไม่ต้องจ่ายเงินในครั้งต่อไปจนกว่าจะจบการศึกษาไปเลยโอ้นี่เลยว่าเป็นคนมีน้าใจมากนะ บางคนนะเธอก็สังเกตนะแต่ก่อนเนี่ยสั่งกับข้าวเนี่ยสองอย่างแต่ตอนหลังเนี่ยสั่งแค่อย่างเดียวอันนี้เธอก็ชวผิดสังเกตแล้วก็จะเดินไปคุยนะว่ามีปัญหาอะไรไหม อ, อพี่นี่ให้ทุนการศึกษาฟรีนะะเด็กหลายคนนะก็ จริงก็ไม่อยากบอกไม่อยากเล่านะแต่ว่าพอเจ อ, อคำถามที่แสดงความห่วงใยเนี่ยก็เล่ฟังนะคนมีปัญหาครอบครัวมีปัญหาพ่อแม่เลิกกันต้องอต้องหาเลี้ยงด้วยตัวเองแล้วก็ไม่เคยมีเวลาไปหาเงินเพื่อจะมาส่งเสีย ก็เลยไม่ค่อยมีเงินแม้กระทั่งกินอาหารกลางวัน เ, เธอก็ช่วยอันนี้คืเหตุผลสคัญที่ทําให้ร้านนี้กลายเป็นขวัญใจนักศึกษานะเพราะว่าแมคคานี่มีน้ําใจมากนไม่ได้คิดหวังร่ําหวังรวยคนบางคนเนี่ยทําค้าขายเนี่ยก็หวังร่ําหวังรวยนะแต่ว่าร้านนี้เนี่ยเขา คิดแต่เพียงว่าอเรามาประกอบอาชีพก็จริงนะแต่ว่าก็เป็นโอกาสที่จะได้ช่วยเหลือนักศึกษาเยาวชนแล้วก็คนยากคนจนไปด้วยตัวแม่เขาคนนี้จริงเนี่ยแกก็อยู่หน้าร้านมานานนะแล้วก็อายุมากแล้วจะไปอยู่หลังร้านก็ได้หรือว่าจะไปแค่เก็บเงินเดี๋ยวก็พอแต่เธออาสาเนะี่ยยืนยืนกลานที่จะมาอยู่หน้าร้าน ไม่ใช่แค่ตักข้าวหรือกับข้าวให้เด็กๆอย่างเดียวเขาคอยสังเกตดูนะว่าใครมีปัญหาอะไรไหมพอแม้กระทั่งในหมายชะลายนี่ยคนที่ไม่มีข้าวกินนะก็มีเยอะนะอันตมาเคยมีเพื่อนรุ่นน้องเนี่ยไปเรียนที่จุฬาเนี่ยไม่มีข้าวกินเลยกลางวันนะกลางวันนี่ก็ต้องหาน้ํากรอกปากเยอะๆมันจะได้ไม่หิว ทุกหมาทุกอะไรก็มีคนที่มีปัญหาแบบเนี้อันนี้เนี่ยถ้าดูให้ดีเนี่ยความมีน้ำใจของแม่ค้าคนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ช่วยทำให้เด็กหรือคนคนนึงเนี่ยมีอาหารใส่ท้องให้อิ่มมีกำลังวังชาเรียนหนังสือได้เท่านั้นนะ แต่มันยังเป็นการให้กำลังใจด้วยเป็นการเติมความหวังเพราะคนที่มีปัญหาอย่างเนี้ยจำนวนไม่น้อยเ็จะรู้สึกท้อแท้กับชีวิตรู้สึกชิวตว่ารู้สึกว่าโลกมันโหดร้ายเจอแต่สิ่งแย่ๆสิ่งแย่ๆเจอแต่คนไม่ดีที่ทำให้ชีวิตนี้มันลำบากแต่ถ้ามีใครสักคนนะหยิบยื่นน้ำใจ มีความห่วงใยมีความเมตตามีความปรารถนาดีและช่วยเหลือด้วยความจริงใจเนี่ยว่ามันเติมพลังให้กับเขามากเลยนะทำให้มีความหวังไม่กลดด่าชะตากรรมว่าเวลวร้ายแต่รู้สึกว่าโลกนี้มันก็ยังมีความสวยงามอยู่มันยังมีคนที่เห็นอกเห็นใจมีคนที่เอื้อเฟื้อเกอื้อกูลมันทำให้คนที่รู้สึกท้อแท้กับชีวิตนี้มีกาลัง มีเรี่ยวแรงที่จะดำเนินชีวิตต่อไปมันไม่ใช่เป็นการแค่ให้อาหารบํารุงกา ย, ยาเดียวนะมันให้กําลังในการบํารุงใจด้วยและกรณงนี้มันก็ชี้เห็นนะว่าคนเราเนี่ยไม่ว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยก็สามารถทําบุญได้เป็นแม่ค้าก็สามารถทําบุญได้ทําบุญด้วยการช่วยเหลือผู้คนโดยการช่วยเหลือ คนที่มาซื้ออาหารจากเราแม้จะไม่มีโอกาสทำไปวัดนะนนการทำบุญเนี่ยมันไม่ได้เป็นจำเป็นว่าต้องมาที่วัดนะเราสามารถทำบุญได้ทุกที่อยู่ที่ไหนทำอะไรก็สามารถทำบุญได้ด้วยการมีน้าใจด้วยความมีความห่วงใยความช่วยเหลือเกื้อกูลคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยนะเป็นมาค้านี่ก็เป็นแม่พระได้นะ หรือเป็นแม่ครัวเนี่ยก็เป็นแม่พระได้ถ้ามีน้ำใจนะอย่างแม่ครัวที่สุกโตนี่ก็ก็เป็นแม่พระได้นะเพราะว่าทํางานด้วยความเสียสละด้วยความห่วงใยนะคนเราเนี่ยถ้าไปคิดว่าทําบุญต้องมาทําที่วัดแต่ว่าคนใกล้ตัวคนที่เกี่ยวข้องด้วยไม่สนใจเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกว่าเข้าใจเรื่องบุญเนี่ยไม่ถูกต้องนะเข้าใจเรื่องบุญที่ถูกต้องเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ในฐานะอะไรนะ ก็ทำบุญได้โดยการช่วยเหลือเอื้อเฟอ้อเกอ้อกูลนะคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยมีความห่วงใยเห็นเขาเดือดร้อนก็หยิบยืดน้ำใจช่วยเหลือเขาอันนี้มันเป็นการไม่เพียงแค่ให้กำลังทั้งกายและใจนะกับคนที่มีความทุกข์แต่มันยังเป็นการช่วยเหลือสังคมประเทศชาติด้วยเป็นแม่ครัวเป็นแม่ค้านะ ก็ช่วยเหลือสังคมช่วยโลกได้นะด้วยการมีน้ําใจแบบนี้แหละเพราะว่าหลายคนเนี่ยพอเขาได้รับน้ําใจแบบนี้แล้วก็มีกําลังไม่ใช่แค่เอาตัวรอดฟันฝ่าอุปสรรคแดงเดียวนะต่อไปเขามีโอกาสเขาก็ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นการตอบแทนเพราะได้รับแรงบันดาลใจนะจากคนที่เคยมีน้ํำใจเข้ามาก่อนมันเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดกันได้นะ